Book 2 <11. S> 1ส11เอดอดเดือนมิเซซีมกราคมสิจกุมภาพันธ์ลต มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนมีอยู่หกเดือน มักกะลาคมกุมภาพันธ์มีนาคมสิ้นเชิลูติเบรเนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนกวีเท็งตราวเชรวชิวนการากกดาคม เปสิงหาคมเซร์เป็ญกันยาย น, นเวืสิงตุลาคมโจวเิพฤศจิกายนลิสตปตธันวาคม และยังมีอีกหกเดือนด้วยเซตกชชกักดาคมสิงหาคมกันยายน์นนตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคม жовтень листопад і грудень